เหตุผลที่วิญญาณยังวนเวียนไม่ไปไหนจัดทำโดยครอบครัวพักดีเพียนและครอบครัวระงับพิษในระหว่างมีชีวิตถ้าเคยครุ่นคิดซ้ำซากโดยไม่รู้สึกตัวหรือคอยเฝ้าย้ำคิดย้ำทำไม่เลิกอยู่นั่นเพียงพราะถอนใจจากสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้ขอให้ทราบเถอว่า เหล่านั้นน่าเหนื่อยหน่ายน้อยกว่าตอนเป็นวิญญาณที่ยังคงวนเวียนอยู่กับความทรงจําเก่าๆไม่เป็นไหนเสียทีเมื่อคุณมีความรู้สึกว่าจะยังอยู่อีกนานคุณจะอยากได้โน่นได้นี่หรืออยากทําโน่นทนํานี่ถ้าไม่พอใจอะไรก็ปรับเปลี่ยนแก้ไขเสียใหม่ตัวตนของคุณเป็นเครื่องกําหนดอนาคต จึงไม่จําเป็นต้องยอมรับความจริงที่ไม่พอใจแต่หากรู้สึกว่าจะอยู่ได้อีกไม่นานขยับมือขยับเท้าไม่ไหวความอยากได้โน่นได้นี่หรืออยากทำน่นทำนี่จะหดหายไปด้วยตัวตนของคุณจะเป็นบทสุดท้ายของอดีตจิตวิญญาณจึงพร้อมจะเปิดเปลือยออกรับทุกความจริงโดยเฉพาะสิ่งที่เคยกระทาไว้ ไม่ว่าพอใจหรือไม่พอใจก็แก้ไขอะไรไม่ได้อีกแล้วความรู้สึกว่าตัวเองกลายเป็นอดีตไปแล้วจะเข้มข้นกว่าความรู้สึกว่ายังมีชีวิตเป็นปัจจุบันดังนั้นถ้าไม่มีใครพูดให้นึกถึงความจริงในปัจจุบันหรือความหวังในอนาคตก็จะไม่ค่อยมีกาลังใจอื่นใดมากไปกว่าครุ่นคิดเกี่ยวกับอดีต ท, ที่ล่วงผ่าน และกำลังจะสลายหายสูญไปหมดอย่างไรก็ตามความรู้สึกว่าตนเองกำลังจะสิ้นสุดไม่ได้ช่วยให้รู้สึกว่าทุกสิ่งกำลังจะสุดสิ้นอย่างน้อยก็มีญาติสนิทมิตรสหายที่จะกลายเป็นคนข้างหลังยังคงอยู่ต่อส่วนจะอยู่ต่ออย่างไรน่าเป็นห่วงแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนเคยทำตัวให้รู้สึกห่วงเพียงใด ฉะนั้นในช่วงท้ายชีวิตที่มีตตะการนึกถึงอดีตจึงมักรวมเอาอดีตของคนอื่นเข้าไว้ด้วยหากอดีตที่ผ่านมาคนรอบข้างยังทำตัวน่าเป็นห่วงก็อาจก่อให้เกิดความรู้สึกเหมือนจะตายตามไม่หลับยังอยากขยับขยื่นเคลื่อนไหวมารับรู้มาดูแลกันต่อเพื่อจะได้เข้าใจว่าความรักความห่วงใยในช่วงสุดท้ายของชีวิตมีความหมายเพียงใด ก็น่าจะมาดูกันจากเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแล้วเริ่มจากที่ใกล้ตัวพวกเราอยู่ในยุคของพวกเราและเปอร์เซ็นต์ของคนเชื่อมีมากกว่าไม่เชื่อจากหลักฐานแวดล้อมหลายๆประการความห่วงใ ย, ยคนข้างหลังจะทำให้เกิดอะไรขึ้นได้บ้างดูเหมือนธรรมชาติจะสร้างความรักที่ควรบูชาวไว้ในเพศหญิง เพราะการที่มนุษย์จะรักใครสักคนมากที่สุดผูกพันด้วยสายใยบริสุทธิ์เหนือสิ่งอื่นใดก็คงต้องให้ใครคนนั้นมาขอพึ่งขออาศัยเป็นส่วนหนึ่งในท้องของตนสักหนึ่งปีธรรมชาติให้เงื่อนไขไว้ว่าแม้คลอดออกมาแล้วมนุษย์คนนั้นจะเอาชีวิตรอดด้วยตนเองไม่ได้ในวันแรกๆหากไม่มีใครดูแลรับผิดชอบป้อนข้าวป้อนน้าเช็ดอึเช็ดฉี่ ก็ต้องตกตายไปในเวลาอันสัน้นทุกคนทราบความจริงนีด้ดีโดยเฉพาะคนเป็นแม่ผู้มีสารพัดหน้าที่นับแต่วันแรกที่ตั้งครรภ์หากไม่ใช่คนประเภทปัิความรับผิดชอบแล้วการรับผิดชอบทารกแรกเกิดย่อมก่อให้เกิดความผูกพันที่เหนียวแน่นและหากนำความผูกพันที่เหนียวแน่นประกอบด้วยความเอ็นดูตาแบลเๆมือเท้าน้อยของเด็กตัวจ้อย ก็ยอมสั่งสมความรู้สึกเป็นความรักที่แสนพิเศษความรักที่พิเศษมากก่อให้เกิดเรื่องพิเศษบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์โลกมาแล้วมากมายหลายครั้งนี่คือตำนานอันเป็นหนึ่งใน1ิบข่าวใหญ่ประจำปีพุทธศักราช5 5 5ที่ทำให้คนไทยทั้งประเทศต้องหลั่งน้ำตาด้วยความสะเทือนใจไปกับความรักที่น่าเทิทูนของผู้เป็นแม่แม้แต่ผู้ประกาศข่าว ก็แทบกลั้นสะอื้นไว้ไม่อยู่ในขณะอ่านข่าวนี้นางออนนัดดาไทยสกุลทองอายุ35หปีป่วยเป็นโรคประจำตัวและเสียชีวิตคาเตียงนอนในทาวเฮาส์ซอยประชาอุทิศในเดือนพฤศจิกายนแต่ละวันมีคนทั่วโลกจากไปโดยไม่เตรียมตัวเตรียมใจแล้วก็ไม่มีใครรู้เห็นมากมายนับไม่ถ้วนทว่าการตายของนางออนั ด, ดา คือความแตกต่างและกลายเป็นข่าวเรามีลูกน้อยซึ่งเป็นเด็กหญิงวัยสามขวบอยู่กับเธอด้วยในขณะเสียชีวิตยิ่งไปกว่านั้นเด็กน้อยยังบอกกับใครต่อใครด้วยว่ามาม่าเป็นคนหานมให้ตลอดสามวันที่ยังไม่มีใครมาพบเพื่อนบ้านที่ได้เจอเจอและทักทายนางออนัต ด, ดาเป็นคนสุดท้ายขณะยังมีชีวิตรายงานว่า นางออนนัดดาพาลูกสาวกลับบ้านเมื่อเวลาประมาณสี่ทุ่มของคืนวันที่11จากนั้นก็ไม่มีใครเห็นเธออีกเลยกระทั่งมีการพบศพในช่วงกลางวันของวันที่14รวมเป็นเวลาห่างกันสมวันซึ่งก็ตรงกับสภาพศพที่ขึ้นอืดแล้วเริ่มมีน้ำเลือดน้ำหนองไหลที่มีการพบศพก็เพราะนางจุทามนทยสกุลทองพี่สาวของนางออนนัต ด, ดา ได้รับโทรศัพท์จากที่ทำงานของเธอซักถามว่าทำไมถึงไม่มาทำงานจะยังทำงานต่อหรือเปล่านางจุทามนจึงใจเสียรุดไปตรวจสอบดูก็พบน้องกอหญ้าหรือเด็กหญิงกจอชกรไทยสกุลทองยืนเกาะลูกโรงอยู่ที่ประตูรั้วหน้าบ้านเสื้อแสงมอมแแมมมีคราบเปื้อนซึ่งนางจุธามนเข้าใจว่าเป็นคราบอบตินเปือย พอเห็นหน้ากันน้องกอหญ้าก็ทักเธอเหมือนปกติคืออีจา๋านางจุธามนจึงถามกลับว่ากินข้าวหรือยังซึ่งน้องกอหญ้าก็ให้คำตอบคือกินแล้วพอเธอซักว่าใครหาให้กินน้องกอหญ้าก็บอกว่ามามา้าคำตอบดังกล่าวทำให้นางจุธามนคลายใจคิดว่าเหตุการณ์คงเป็นปกติในเมื่อน้องสาวของตนยังดูแลลูกไม่บุกร่อง ก็น่าจะไม่เป็นอะไรอย่างมากก็ไม่สบายจึงขาดงานโดยไม่ลาแต่เนื่องจากน้องสาวของเธอไม่ปรากฏตัวนางจุธามวลจึงถามหลานสาวว่าใครเป็นคนพาลงมาน้องกอยา ก, ก็ตอบอีกคือมามาแต่พอซักว่ามามาอยู่ไหนเด็กน้อยกลับให้คำตอบว่าอยู่ข้างบนมามาไม่สบายเลือดไหล ฟังคำตอบเช่นนั้นนางจุธามนก็ตามเพื่อนบ้านผู้ชายให้ช่วยขึ้นไปดูชั้นบนทันทีแต่ด้วยความรู้สึกหวาดกลัวตอนแอรกจึงไม่มีใครยอมขึ้นไปกระทั่งมีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเคยทำงานกับปอเต็กตึ้งอาสาขึ้นไปและเพียงขึ้นไปแล้วเปิดประตูห้องกลิ่นศพเหม็นเน่าก็โชยลงมากระทบจมูกทุกคนทันที เมื่อหญิงอาสาเดินกลับลงมาจากชั้นบนเธอก็ได้บอกเรีย บ, ยบกับนางจุธาหมุนว่าไม่ต้องให้เด็กขึ้นไปแล้วนะแม่ของเด็กตายแล้วขึ้นอืดแล้ววินาทีแรกพี่สาวของผู้ตายยังไม่อยากเชื่อเพราะหลานของตนไม่ได้อยู่ในสภาพหิวโหยแต่อย่างใดและเหมือนล้างหน้าล้างตาตามปกติไม่เหมือนเด็กสามขวบที่ถูกปล่อยปละละเลยตามลาพังต้องมีใครสักคนดูแลแลวก็ไม่น่าเป็นใครอื่น นอกจากแม่ของเด็กนั่นเองแต่ที่สุดห่อศพของนางออนนัดดาก็ถูกแบกลงมาจากชั้นบนเป็นการยืนยันถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแบบไม่ต้องกังขากันอีกต่อไปและหลังจากมีการชันสูตรศพก็พบว่านางออนนัดดาจากไปด้วยอาการของหัวใจล้มเหลวซึ่งน่าจะเกิดจากการที่เธอเป็นโรคลมชักมาตั้งแต่ป .2 ออและยังไม่หายขาดมาจนวันสุดท้าย เรื่องของคนตายไม่น่ากังขาแต่เรื่องของคนอยู่สิน่าขนลุกน้องกอย่าตอบซ้ำๆว่าที่ผ่านมาสามวันอยู่กับมาม้าตลอดเวลานอนกอดกันทั้งคืนมาม้าเป็นคนหานมให้แล้วก็เป็นคนพาตนลงมาข้างล่างเปิดประตูบานเลื่อนแถมบอกอีกว่าให้ไปหาอาอ้ซึ่งนั่นก็เป็นเหตุให้ได้พบกับอาอีพอดีเวลาที่มาถึง มีบางรายการโทรทัศน์ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องลึกลับได้พานางจุทามนกับน้องกอย่้าไปสัมภาษณ์ออกอากาศอย่างเปิดเผยซึ่งคนทั่วประเทศดูแล้วต่างลงความเห็นว่าอะไรที่เกิดขึ้นในทาวเฮาระหว่างคืนวันที่11จนถึงกลางวันวันที่14คงไม่ใช่เรื่องธรรมดาแน่เพราะเหตุผลแรกมีพยานบุคคลซึ่งอยู่ละแวกที่อยู่ของนางออนนัต ด, ดาจานวนมากร่วมรู้เห็นว่า ไม่ใช่การกุเรื่องนางออนนัดดาเสียชีวิตจริงศพอยู่ในสภาพสามวันจริงเหตุผลที่สองเด็กอายุสามขวบจริงและจะต้องอยู่ในบ้านตลอดสามคืนร่วมกับศพแม่โดยไม่ได้ไปไหนเลยเนื่องจากประตูรัว้วล็อกและกุญแจก็อยู่ในบ้านแต่เพื่อนบ้านกลับไม่ได้ยินเสียงร้องไห้โยเยจากน้องเลยทั้งที่เด็กสามขวบ ยอมขวัญเสียและแผดเสียงจ้าไม่เห็นคนเป็นแม่แน่นิ่งไม่ยอมลุกจากที่นอนและคงไม่มีเด็กสามขวบที่ไหนอดนมอดน้ำแถมไม่ล้างหน้าล้างตาและยังดูดีเป็นปกติอยู่ได้เหตุผลสุดท้ายน้องกอยญ้าเป็นแค่เด็กสามขวบไม่มีเหตุผลให้ต้องรอยหน้าโกหกเรื่องแม่หานมให้แม่นอนกอดทั้งคืนแล้วก็แม่เป็นคนลงมาเปิดประตู ให้ออกมาพบไ อ, อีหลักฐานสนับสนุนอยู่ที่เด็กน้อยไม่มีอาการหวาดผวาและอยู่ในสภาพเหมือนมีผู้ใหญ่เลี้ยงดูตามปกติไม่ใช่ถูกบังคับให้พูดตามใบสั่งของใครเรื่องการหาอาหารกินเองพอเป็นไปได้สำหรับเด็กสามขวบถ้ามีนมอยู่ในตู้เย็นหลายๆกล่องและฝึกเด็กไว้อย่างดีให้รู้จักใช้หลอดเจาะกล่องนมกินเอง แต่ก็ต้องดูว่าในบ้านใช้ตู้เย็นแบบสูงเกินเอื้อมสำหรับเด็กสามขวบหรือไม่ประตูตู้เย็นเปิดยากเพียงใดด้วยส่วนเรื่องอาบน้ำล้างหน้าล้างตาเรื่องลงมาเปิดประตูกระจกบานเลื่อนเองก็มีสิทธิ์เป็นไปได้เช่นกันถ้าเคยฝึกเด็กให้ทำมาไม่ถือเป็นเรื่องเหลือเชื่อจนเกินไปแต่เรื่องไม่ร้องโยเยเลย เมื่อเห็นแม่นอนแน่นิ่งกับเตียงถึงสามคืนอันนี้ผิดปกติเกินวิสัยเอามากๆสำหรับเด็กสามขวบอย่างน้อยที่สุดก็ต้องเดือดร้อนเรื่องอึเรื่องฉี่หรือมีเรื่องให้ต้องส่งเสียงร้องไห้ดังๆจนได้ถ้าใครมีลูกวัยสามขวบคงตระหนักเป็นอย่างดีหรือหากไม่คิดว่าสิ่งที่น้องกอยญ้าพูดเป็นความจริงก็มีทางเดียวที่จะสันนิษฐาน คือต้องมีผู้หญิงคนหนึ่งรูปร่างหน้าตาคล้ายกับนางออนนัดดาอย่างทราบว่านางออนนัดดาเสียชีวิตและอย่างทราบว่าเด็กหญิงกอหญ้าถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามลําพังจึงปีนรั้วเข้าไปในบ้านงัดประตูกระจกบานเลื่อนแล้วขึ้นไปชั้นบนเพื่อดูแลป้อนนมตลอดจนเช็ดอึเช็ดฉี่ให้น้องกอหญ้าอีกทั้งต้องใจเย็นพอจะทําให้เด็กรู้สึกปลอดภัย ไม่เห็นเป็นคนอื่นคนไกลตลอดช่วงเวลาสามคืนด้วยนอกจากนั้นในช่วงกลางวันของวันที่14เธอคนดังกล่าวจะต้องมีญานอย่างทราบล่วงหน้าว่าอาอีของเด็กจะมาจึงเลื่อนประตูกระจกและสั่งให้น้องกอหญาออกมาหาอาอีจากนั้นเมื่อหมดหน้าที่ก็หายตัวไปเฉยๆด้วยวิธีการปีนรั้วเอาเช่นเคย เนื่องจากกุญแจประตูรั้วยังอยู่ในบ้านณจุดที่อายีรู้ที่เก็บหรือหากอยากมองในแง่ร้ายที่สุดอายีของเด็กสร้างเรื่องขึ้นและเสี้ยมสอนให้เด็กพูดถึงมาม่าตามสคริปต์อายีก็จําเป็นต้องแสดงละครเก่งระดับตุ๊กตาทองพูดเล่าเรื่องได้ลื่นไหลตอบคําถามที่ระดมหญิงซ้ําำไปซ้ามาได้ไม่พลาดไม่หลุดไม่สะดุดเลยโดยมีรางวัลสุดท้าย คือต้องรับภาระเลี้ยงดูหลานสาวต่อด้วยกำลังของตนทั้งที่มีลูกอยู่แล้วถึงสองคนอันที่จริงพอถึงยุคนี้ถ้ามีเรื่องโกหกหลอกลวงประชาชนหรือมีพิรุษไม่ชอบมาพากลใดๆมักหาคำให้การหรือเบาะแสมาแฉแหลกได้ง่ายจากอินเทอร์เน็ตแต่สำหรับกรณีของน้องกอหญ้าพยานบุคคลแวดล้อมที่อยู่ในสถานที่ก็ดี หรือแม้แต่พูดแสดงตัวว่าเคยรู้จักกับครอบครัวน้องกอยญ้าก็ดีไม่มีใครพูดเลยว่าเหตุการณ์ในข่าวน่าจะเป็นเท็จที่ตรงไหนยิ่งไปกว่านั้นความรู้สึกของคนส่วนใหญ่ถึงแม้รวมๆแล้วจะเป็นไปในทางคนหัวลุกเพราะเหมือนนี่คือเครื่องพิสูจน์ว่าผีมีจริงแต่ถึงที่สุดเมื่อเห็นหน้าตาใสๆไร้เดียงสาของเด็กหญิงกอหญ้า ซึ่งรอชีวิตมาจากการถูกปล่อยให้อยู่ตามลำพังสามคืนแล้วต่างก็อยากร้องไห้หรืออย่างน้อยสะอึกอึ่งนิ่งอั้นให้กับผลแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ของแม่ไม่มีใครรู้สึกจนนิดเดียวเลยว่านางออนนัดดาเป็นสิ่งน่าสะพรึงกลัวแต่กลับเป็นตรงข้ามเธอเป็นผู้ให้ชีวิตเป็นที่พึง่งเป็นความอบอุ่นและมีดวงจิตกล้าแข็งพอจะเป็นผู้รักษาชีวิตลูก แม้ตัวตายไปแล้วก็ตามมีผู้เข้าใจจิตวิญญาณแบบแม่และเชื่อในเรื่องนี้เนื่องจากเป็นแม่อยู่ด้วยตนเองเช่นผู้หญิงคนหนึ่งในอินเทอร์เน็ตได้กล่าวไว้แทนใจคนเป็นแม่ด้วยกันมีใจความสรุปคือเราเชื่อนะเรามีลูกใกล้สีขวบแล้วแค่เขาตื่นแล้วเรายังหลับก็จะปลุกจนตื่นเราเคยแกล้งหลับลูกก็วากเลยอีกอย่าง ถ้าเราตายไปแล้วสามารถชงนมเปิดประตูหรือเล่นกับลูกได้เราก็จะทำกรณีนางออนนัต ด, ดาไทยสกุลทองกลายเป็นตำนานบทใหม่ของไทยยุคไอทีคนเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงมากกว่าข่าวลวงแล้วคนก็จะจดจำเธอในฐานะของแม่ผู้มีหัวใจน่ากราบไม่ใช่พูดผีปีศาจที่น่ากลัว เธอดูยังมีชีวิตที่น่านับถือไม่ใช่จากตายหายสูญไปไหนแล้วทุกคนที่ติดตามข่าวต่างสัมผัสได้ถึงกระแสเมตตาที่หลั่งไหลาจากทั่วทุกสารทิศโดยคนไทยค่อนประเทศที่รับรู้ถึงความรักอันยิ่งใหญ่สะเทือนหัวใจของเธอแน่นอนทุกคนปรารถนาจะร่วมกันอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เธอได้ไปสู่สุขติ ซึ่งวิญญาณของเธอจะต้องรับรู้ถึงพลังอุทิตอันใหญ่หลวงได้เป็นแน่แท้สรุปแล้วความห่วงใยที่เหนียวแน่นพออาจถักทอพลังงานลี้ลับขึ้นผูกมัดกับบุคคลที่อยู่ข้างหลังและความรักที่ไม่ธรรมดาก็อาจก่อให้เกิดเรื่องไม่ธรรมดาขึ้นมาได้แต่คำถามคือถ้าห่วงคนอื่นได้ ช่วยคนอื่นได้แต่ช่วยตัวเองไม่ได้แถมไม่มีคนอื่นช่วยสุดท้ายใครกันแน่ที่น่าห่วง